เพราะฉันจากข้อความในเมทุนสูตรเนี่ยนะกล่าวถึงว่าธรรมะเจ็ดอย่างหรือว่าเมทุนสังโยคที่ว่าเหมือนกับเมทุนนั่นแหละอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นความขาดความด่างความพร้อยความทะลุของศีลเนี่ยนะศีลอันนี้ชื่อว่าความเศร้ามองของศีลนะศีลของผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามถ้าเป็นไปในลักษณะในหกอย่างนี้เอ่อในเจ็ดอย่างนี้ก็ชื่อว่า เศ้าหมองเนี่ยนะขาดด่างทะลุเป็นต้นนั่นเองถ้ามาจัดเป็นข้อๆนะในย่อหน้าว่าดูก่อนพรามเนี่ยเป็นข้อหนึ่งเพราะมีอยู่เจ็ดข้อเนี่นะในหน้าหนึ่งร้ยเ็ดแปดเนี่ยนะดูก่อนพรามสมณะก็ดีพรามก็ดีเนี่ยนะอันนี้นะับเป็นข้อหนึ่งแล้วก็ขวามือไปเนี่ยนะข้อในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าดูกรพราหม์ข้ออื่นยังมีอีกย่อหน้านั่นแหละอันนั้นเป็นข้อสอง ะแล้วก็ย่อหน้าอีกต่อไปก็คือข้อสามแล้วก็ย่อหน้าถัดไปก็ข้อสี่ข้อห้าตามลำดับเหนะ็นก็ดูได้เหนะ็นจนถึงข้อเจ็ดก็หน้าหนึ่งร้อยแปดสิบสามต่อไปหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เลยภาวะที่ศิลขาดเป็นต้นเนี่ยนะขาดทะลุด่างพร้อยเป็นต้นเนี่ยนะ พ่งทราบว่าสงเคราะห์ด้วยเข้าด้วยความแตกทำลายอันมีลาบเป็นต้นเป็นเหตุเนี่ยนะก็คืออันนี้คือความเศร้ามองใช่และด้วยเมถุนสังโยกเจ็อย่างโดยประการที่กล่าวแล้วนี้เนี่ยนะส่วนภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นสงเคราะห์ด้วยความไม่แตกทำลายเนี่ยนะคือไม่ก้าวล่วงแห่งศิก ข, ขาบททั้งหลายโดยประการทั้งปวง อันนี้คือกนลงังอธิบายคำว่าผ่องแผ้วเนี่ยนะด้วยการทำคืนซึ่งสิกขาบทที่แตกแล้วก็คือปลงอบัตเนี่ยนะคือแต่มีการทำคืนได้นึงหมายคําว่าถ้าเป็นเราทั้งหลายก็เสียนขาดก็สมัทถานใหม่เป็นต้นนั่นเองอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นความผ่องแผ้วละด้วยไม่มีเมถุนสังโยกเจดอย่างหนึ่งด้วยความดีอย่างอื่นคือ ความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปประธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อรักษาศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามาศีลไปแล้วไม่ให้บาปธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นบาปประธรรมทั้งหลายคือโกหะความโกร ธ, ค ว, กรธความโกรธก็คือความขุนเคืองถ้าปล่อยให้ความขุนเคืองเกิดขึ้นศีลก็เศร้าหมองอุปนาหะความผูกโกรธเนี่ยนะถ้าขณะที่ เขบอกโกรธครั้งแรก เ, เรียกโกระโกรธตามมาตามมาบ่อยๆ อ, อันนั้นเรียกว่าผูกโกรธ น, น, นะนะมักขะความลบลู่ลบหลู่คุณของผู้อื่นนะ่ยนะประลาสะความตีเสมออิสาความฤศยามัฉริยะความตนีมัฉริยะคือยังไงคือมีสมบัติของตัวก็ซ่อนอ่ะไม่อยากให้ใครไปใช้ด้วยอ่ะลักษณะเรียกมัฉริยะ มายาก็คือความเป็นคนหลอกลวงหลอกลวงก็คือปกปิดโทษที่มีอยู่มีความเสียหายข้างในตัวก็ปกปิดเอาไว้แอบไว้ซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครรู้เหมือนนายพรานนกนะที่ปกปิดตัวเพื่อที่จะจับนกเขาว่างั้นสาไถสาไทยก็คือความโอ้อวดโอ้อวดก็คือยกย่องคุณที่ไม่มีอยู่ในตนน่ะเขาก็เล่าว่าไอ้ยกย่องคุณที่ไม่มีอยู่ในตนนะอย่างพิสูรรูปหนึ่งเนี่ยนะ อยากจะให้โยมเข้ารู้ว่าโอ๊ยฉันเนี่ยนักกรรมฐานมากอนะก็ไปเดินให้มันถูกใหญ่แมงมุมว่าแล้วยอมก็เห็นว่าโอมาจากปาา่านนู้นมาเพราะงั้นเห็นยอมมาก็จับไม่กวาดใหญ่เลยนะโอปัดกวาดใหยโตเลยให้เขาตักทานลแลักษณะนี้เรียกว่าสาไทโออวดนะนะธรรมพาก็คือความดืดดึงดืดดึงก็คือความกระด้างแห่งจิตสารพะก็คือแข็งดีมานะก็ถือตัวอติมานะก็คือเ ย, ย่อหยิ่ง มาทะความเมาความเมานี้มีเท่าไหร่ยีิบเจ็ดนะนะความเมาเมาเพราะชาติเมาเพราะโคตรเพราะตระกูลเพราะศิลป ะ, ะเพราะยศเพราะสรารเสริญเพราะปะหูสูตรต่างๆเนี่ยนะพวกนั้นเรียกของเมาประมาทะความประมาทประมาทะประมาทเป็นยังไงประมาทประมาทคือมีการปล่อยจิตเป็นลักษณะอนนะปล่อยจิตเป็นลักษณะนั่นเองปล่อยจิตไปใน การมาคุณทั้งห้านะปล่อยจิตให้เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะอย่างนี้ชื่อว่าประมาทแล้วขณะที่จิตเป็นไปกับอกุศลเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่ามีโลภะโมหะวิปริตมณสิการที่วิปริตเป็นต้นสภาพจิตเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะเจตสิกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นขณะนั้นนั้นชื่อว่าศีลเศร้าหมองแล้วแต่ถ้าโทษเหล่านี้ไม่เกิดเลยอันนี้เขาเรียกว่าศีผลผ่องแผ้ว น, นะ เอสีนเนี่ยความผ่องแผ้วของสียนนี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะรักษาให้มีสียนนี่ก็นับว่ายากอยู่แล้วแต่ว่าทำาสียนให้ผ่องแผ้วนี่ยากกว่านั้นเขาบอกว่าคนที่จะรักษาสียนได้เนี่ยนะเขาจะต้องรู้รู้คุณรู้โทษของศสียแบบนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเขาจึงจะรักษาสียนแล้วก็พัฒนาศสียนขึ้นได้เนี่ยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็ยาก ด้วยความเกิดขึ้นแห่งคุณมีความมักน้อยสันโดษประพฤติขูดเกลากิเลสเป็นต้นหนึ่งนะคือมีมีข้อหลักๆตรงนี้นะมีอยู่ห้าข้อด้วยกั น, นนะเห็นไหมคำว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีอยู่มีเลขหนึ่งอยู่ห้าตัวนี่นะเขาเท่ากับมีห้ากลุ่มนี่นะข้อต้นกลุ่มแรกคือสีนที่ไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยเป็นต้นนั่นเองก็หนึ่งนะสอง ทำคืนทำคืนถ้าเป็นแล้วก็ทำคืนชุดที่สามบอกไม่มีเมถุนสังโยคชุดที่สี่ก็คือไม่มีบาปประทมตั้งแต่ผูกโกรธเกิดขึ้นชุดที่ห้าก็คือเป็นคนที่มักน้อยสันโดษประพฤติขูดเกลากิเลสอันนะผู้ที่มีคุณธรรมลักษณะนี้เรียกว่าคนที่มีศีลผ่องแผ้วศีล ส, สะอาดนะ จึงอยู่ศีลทั้งหลายเหล่าใดที่ไม่แตกทาลายไปเพื่อประโยชน์แม้แกล่ลาบเป็นต้นก็ดีแม้ที่แตกไปเพราะโทษคือความประมาทแต่ภิกสุทำคืนได้แล้วก็ดีบาปประธรมทั้งหลายคือเมถุนสังโยกเนี่ยนะหรือโกธอุปนาหะเป็นต้นเข้าไปทำลายไม่ได้ก็ดีศีลทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าไม่ขาดศีลไม่ขาดเลยนะ แสดงว่าถ้ารักษาได้ขนาดนี้นะจิตแทบไม่ไม่มีบาปเข้าไปแทรกเลยอะจิตท่านไม่เป็นบาปเลยอะศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยโดยประการทั้งปวงันนัอันหนึ่งศีลเหล่านั้นแหละชื่อว่าพุชิสะเพราะกระทาความเป็นไทยเป็นศีลที่เป็นไทยอนะคําว่าศีลเป็นไทยก็เปลื้องจากความเป็นาธาตุแห่งตันหาโดยความเป็นอุปนิสัยแห่งวิวตัตตะ ศีลที่รักษาทั้งหมดนี้เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตะนั่นเองเชื่อว่าวินยูปสัสสะเพราะความเป็นศีลที่ผู้รู้ทั้งหลายสารเสิร์นดีกาท่านบอกว่าผู้ไม่รู้ไม่เป็นสาคัญเนี่ยนะอย่าไปเอาคนไม่รู้มาเป็นประมาณไม่ได้เนีย่ยนะจะต้องเอาผู้รู้เอาวินยูชนจริงๆเป็นเป็นประมาณเป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบเชื่อว่าอา拉มัถะเพราะไม่ถูกตันหาและทิฐิ คือมั่นชื่อว่าเป็นสมาธิสังวัตนิกะเพราะอาธาว่ายังอุปจาระสมาธิหรืออั ป, ปนาสมาธิให้เป็นไปพร้อมเพราะเหตุนั้นเพิ่งทราบว่าภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นนี้ชื่อว่าเป็นเหตุผ่องแผ้วของศีลเหล่านั้นเ อ, นะอันนี้ศีลดีจริงๆเลยเนาะศีลที่ผ่องแผ้วเพราะว่าเว้นจากโทษ ทั้งหลายไปแล้วนั่นเองก็ความ แ, แถวนี้เนี่ยฮะเป็นการแสดงถึงถึงการพัฒนาหรือว่าทำให้ศีลเนี่ยมีมีคุณภาพมีปริมาณมีคุณภาพเพราะว่ากว่าจะทำาให้ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเนี่ยมีตั้งแต่หนักไปจนกระทั่งเบ้าแผ่วไปกระทั่งเออรักษาศีลจะเป็น ก็จะไปเจอนางฟ้าอย่างนี้นะครับเบาขนาดนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังถือว่ายังทะลุยังด่างยังพล อ, อยอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีอย่างนั้นแล้วนี่นะครับอันนี้เนี่ยผองแพ้วคือผู้ที่รักษาศีลก็คงจะต้องมีต้องรู้ว่าอันนี้เ ป, นเป็นเป้าหมายมั้งกันเถอะใช่ไหมครับคงไม่ใช่ว่ามีศีนอยู่ห้าแล้วมันสิปีแล้วมันอยู่มีเท่านั้นนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแต่ถ้าผู้ที่เขารู้เรื่องดีเนี่ยเขาจะต้องพัฒนามันถึงจุดนี้ จึงจะชื่อว่าเป็นศีลสิกขาจึงจะจริงจะเป็นอุปาทารนังได้จึงจะเป็นบาตรแห่งกุศลธรรมชั้นสูงได้นะทาไม่งั้นก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงไม่ได้บงังคือถ้ามานะเกิดมันก็ไม่ใช่ศีลแล้วใช่ไหมใช่ะนะถ้าทิฏฐิเกิดถ้าโทสะเกิดถ้าผูกโกรธเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นหงุดหงิดเครียดวิตกกังวลพวกนี้ไม่ใช่ศีลสักอย่างแล้วะนะเมื่อไม่ใช่ศีลเราต้องไม่สําคัญผิดว่าเออขณะนั้นนี่จิตเรา เศร้ามองแล้วถ้าเพราะฉะนั้นศีลอย่างเดียวนี้จะบริสุทธิ์ได้จริงๆก็ต้องไปเจริญสมถะเป็นต้นต่อไปนะท่านวางท่านวางพื้นฐานให้ไปเจริญกุศลธรรมชั้นสูงนะจะไม่ได้วางให้ว่าเจะอยู่แค่ศีลก็พอถ้าอยู่แค่ศีลก็พอนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นสะเกตของพรหมจันทร์เท่านั้นเองนะจะอยู่แค่สเก็ดเนี่ยนะ <c oughs> ยังไม่เข้าถึงไม่แก๋นเนี่ยนะมาเสาะหาไม่แก่นมาเจอสะเก็ดก็พอละ ไม่ด่างไม่พรลอยก็ถ้าหากว่าไม่ด่างไม่พร้อยแล้วสดใสอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมเชื่อครับว่าเรื่องจิตสิกขาต้องตามมาอย่างอย่างมไม่ยากนะเป็นไปเพื่อสมาธิไม่ย า, นะไมยากนะไม่ยากนะถ้าอย่างนี้ได้นะครับหมายความว่าพัฒนาจนกระทั่งสีเนี่ยเอปริปุนศีนั่นเลยอย่างนี้คือเรียกว่าบริบูรณ์ ถ้าไม่เป็นลักษณะนี้ก็สมถะรับรองรับไม่ได้เห็นไหมถ้ารองสมถะรองเอศีล อ, อันนี้รองรับสมถะไม่ได้วิปัสสนาก็ก็ไม่ใช่ฐานะอีกนั่นแหละแถวเลยครับมันก็แผ่วไปเรื่อยนะโอ้ได้สราบว่าขันนี่ก็ลึกซึ้งไปเยอะแล้วนามรูปนี่โอ้ลึกซึ้งจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นพงุูงสูตรไปฟังเอาบุญไป ฟังเอาอุปนิสัยก็บอกว่าขอให้มีศรัทธานะถ้ามีศรัทธานี่ก็เชื่อว่ามีอุปนิสัยแล้วละ่ะนะได้เพาะอุปนิสัยลงในขันทนดานอันนั้นไว้แนละ้วเราเรียนเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าไม่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่กันฝึกประเดียวประดาไม่ใช่ฟังกันแค่ประเดียวประดาว <c oughs> ไม่ใช่ครูบาอาจารย์แนะนําเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างนี้ได้ไม่มีทางถ้าไม่มีบท ไม่มีแบบฝึกนรหัดให้ทำไม่ไม่เจริญไม่ไม่พอกผุนไม่มีทางครับต้องใช้เวลามผมคิดว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับก็เนื่องจากบางท่านเนี่ยนะศึกษาวิสุทธิมรรคก็เลยไม่ยอมรับคัมภีร์นี้เลยคือเมื่อมาศึกษาข้อความละเอียดละออลึกซึ่งแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมรับเลยผ่านไม่ยอมรับพระพุทธโคษาจา ร, รย์ไม่ยอมรับอัตตะขาไปหมดเลยเนี่ยนะปิดกั้นตัวเองไปเลยอันนี้ก็เท่าที่เดชข่าวเนี่ยมีเนี่ยนะบางท่านก็เป็นลักษณะนั้นปฏิเสธคัมภีร์เลย ท, ทั้งที่ท่านเรียบเรียงมาจากพระไตยปิฎกมาเนะยไม่ได้เป็นความเห็นของท่านอะไรเลยท่านเรียบเรียงมาแต่ก็บางคนก็รับไม่ได้ว่าปฏิบัติตามไม่ได้ ค, คือถ้าหากว่าเราเจริญไม่ได้หรือว่ารักษาไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเจริญพุทธคุณก็ได้ถ้าได้ข้อมูลเหล่านี้อย่างดีนะนะเอาไว้ตามและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าโอ้คุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในพระพุทธเจ้าอย่างบริบูรณ์ พระองค์นี้มีศีลสามปทาเหล่านี้นะพระองค์มีอินทรีย์สังวรหรือเอาไว้เจริญสังขารนุสติก็ได้สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้จริงๆภาษารีุตรเนี่ยปฏิบัติตามนี้จริงๆพระโมคคัลลานะพระน์พระมหากัสสปะพระนุรุธ ะ, ะหรือพระอาหารเถรีทั้งหลายเนี่ยมีคุณสมบัติเหล่านี้จริงๆเนี่ยนะเราก็จะได้เจริญอนุสติได้เยอะขึ้นแล้วก็สารณคมเราก็มั่นคงขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ เมื่อมีศรัทธาแล้วก็ตั้งเป้าหมายใช่ไหมจะขอปฏิบัติตามสติตามกำลังเราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปอย่างน้อยที่สุดให้มีอัตตะสัมมาปณิที่ไว้ก่อนให้เข้าใจทิศทางแนวทางไว้ก่อนก็ยังดีเนี่ยนะแล้วก็ถ้าอ่านพระไตรปิฎกไปเยอะๆนะที่ไหนมีคำว่าศีล น, นะนะมีคำว่าศีลคำว่าวัดเนี่ยนะคำเหล่านี้ไปอธิบายทั้งหมดเลยเนี่ยนะนะทุกๆแห่งในพระไตรปิฎกเลยนะเพราะว่าท่านกล่าวว่า วิสุทธิมรรคเป็นคำพีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางนิกาย4เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเป็นต้นเนี่ยนะในแต่ละสูตรแต่ละสูตรที่อ่านว่าสูตรไหนที่จะเจอว่ามีศีลนะสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยต้องเอาถ้อยคําเหล่านี้ไปอธิบายตรงนั้นได้ทั้งหมดเลยเหนไะนะมีคณุคุณสมบัติแบบนั้นอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะจะแทงตลอดอริยศาสตร์ได้อย่างไรเพราะว่าการบรลุโลกุตระธรรมนั้นเป็นการ รู้แจ้งความจริงใช่ไหยสัจจะนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่เจริญกรรมฐานอย่างน้อยต้องมีสัจจะใช่ไหยสัจจะที่ว่าคือประมาทสัจจะประมาทสัจจะสุดยอดแล้วจริงๆก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นต้องฝึกเป็นจริงไว้ก่อนจริงๆอะ่ะแล้วก็คุณสมบัติอย่างหนึ่งของภาษาวของพระพุทธเจ้าก็คือสุ ป, ปฏิปันโนแล้วก็อุชุ ป, ปฏิปันโนนนะ อันอุชูปติปันโนเป็นต้นเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเออสาวกของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติ ด, ดีตามนี้จริงๆเห็นไหได้นับถือท่านก็เป็นบุญแน่นะเป็นท่านเหล่านั้นก็เป็นปูชาปูชนีย บ, บุคคลของเราให้เราตามระลึกนึกถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็พยายามฝึกสมาทานให้เป็นไปแบบนี้เนี่ยนะแต่เขามาเชื่อว่าคำซ้อนเหล่านี้นะมีผู้ที่ปฏิบัติได้จริงๆ เพราะเขาตั้งใจปฏิบัติเนี่ยนะเขาจะทําได้เพราะเขาสมาทานเราอย่าเพิ่งคิดว่าวันนี้เราจะทําไม่ได้เนี่ยนะก็ค่อย ๆ, ๆฝึกไปเพราะว่าถ้าพลาดแล้วไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าแกชั่วตลอดชาติเลยนะแกต้องเลวทาวรเลยไม่ใช่แก้ตัวใหม่นะเนี่ยนะอย่างสูตรที่เอามาอ่านเมื่อวานก่อนว่าเออดีแล้วการที่เธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษถึงความสํารวมระวังต่อไป นั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้ใช่ไหมในสุสีมาสูตรอ่ะเพราะในหลายสูตรเนี่ยจะยกย่องในลักษณะนั้นเมื่อเราเรียนรู้เราเข้าใจรู้ว่าอะไรผิดพลาดเราก็สมท า, านใหม่เนี่ยนะถ้าเห็นโทษเท่าไหร่ไอ้ที่จะล่วงละเมิดใหม่ๆอีกครั้งก็กยากเพราะว่าศีลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุสองประการใช่มหเห็นโทษของความทุศีล2เห็นอ น, นิสงค์ของความมีศีลผ่องแผ้ว ทีนี้การที่เราจะเห็นโทษเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะจะต้องผิดพลาดด้วยตัวเองจึงจะแก้ไขได้สมบูรณ์บางคนเนี่ยนะเห็นคนอื่นผิดพลาดนี่ก็ก็ไม่ไม่ละนะเห็นคนอื่นมีความผิดปั๊บเนี่ยตัวเองเนี่ยเราต้องไม่ผิดแบบนั้นแน่นอนอย่างนี้นนะบางคนเนี่ยศีลมั่นคงเพราะเหตุแค่นี้แหละบางคนไม่ได้นะถ้าจะต้องเลือดอาบนั่นแหละจึงยอมรับละเออใช่ใช่ใ ช, ใชไไ่ไม่ดีจริงจนะบางคนเนี่ยลักษณะนั้นนะ้องผิดลองถูกเป็นลักษณะนั้น บางคนก็เอาเขาเป็นตัวอย่างก็พอละอย่างเช่นเห็นว่าเขาผิดศีลแล้วเขามีความทุกข์เนี่ยนะบางคนนี่เห็นก็พอละไม่ต้องไปเป็นแบบเขาถ้าเราเดินตามก็เหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เอาศีลสิกขาเอาเรื่องศีลมาตรึกให้มากมอันนี้จึงเป็นเป็นสิกขาจริงๆการเอามาตรึกเนี่ยนะจะได้เห็นโทษของความทุศีลแล้วก็เห็นอันนี้สงของศีลมากขึ้นถ้าหากว่าศีลเหล่านี้ดีเนี่ยนะ เมตตาก็เจริญไม่ยากแล้วนะทั้งที่ศีลเนี่ยเป็นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งหมดเลยนะเพราะว่าศีลศีลกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นเหมือนกับบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคกันประกอบไปด้วยองค์8ใช่ไหมที่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะเวลาจะขึ้นเนี่ยแสงเงินแสงทองเนี่ยนะจะเป็นบุพนิมิตแห่งการขึ้นของโผล่ขึ้นของดวงอาทิตย์ชั้นได ศีลเหล่านี้ที่บริบูรณ์เนี่ยนะกับสัมมาทิฏฐินีเนเน้เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคจริงๆถ้าหากว่ามีกุศลธรรมเหล่านี้แล้วอริยมรรคก็ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยนะอย่างในพระสูตรหลายแห่งเนี่ยนะเพราะว่ากล่าวถึงว่านี่คือความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและอาชีพที่บริสุทธิ์จริงๆก็ต้องมีคุณสมบัติในลักษณะนี้เมื่อมีคุณสสมบัติในลักษณะนี้แล้วก็พิจารณาเรื่องของอริยสัจเนี่ยนะ เอาเรื่องอรรยศัพท์มาตรึกให้เยอะๆหน่อยแล้วก็ไม่ไม่หนักนัดนาได้แล้ว